บุกทูสามสิบแปดทรวตเอเทตทรวตเอเทตในรถแท็กซี่รถแท็กซี่นะแท็กซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ t ี่ริสเนียลุ t เอมยี่แท s กซี่ที่ริสเนียลุตเอมยี่แท็กซี่ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับซักคุ t ตันเดริตสถานีเทรนิตซักคุชตันเดริตสถานีอีเทร p ิตไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับเดอ สักคุ t กรารุณาตรงไปครับกรุ ต, รตารุนาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับการุนาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ เต็มใี่ไหนต้องยต็มใจไ่ไุดผมรีบอาาอามามมผมมีเวลาคำ ค, คอเธอกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับ เฮ็ดนีมงก็ดากอยู่ดดลุตัมการุณาจอดรถที่นี่ครับดนกรุ้ดลลนิกตุอยู่ลุตัมคารุนารอสักครูนร่นะครับพริสนินโมเมนตอยู่ลุตม เดี๋ยวผมกลับมาครับเยอะอร์ต่เยอะอิร์ด่ะขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับโลการินยูลูเตมโลการินอุลูเตมผมไม่มีเงินทอนสกัมเล็กเตวกละสกัมเล็กเตวกละไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณครับ น, รเนเรกุุสุริบายเยนนเรกุุสุริบายเยนขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับมนชนเตอดเดรสมนชนเตอดเดรสขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับมนชนนโฮเทลิท มาชอนนีน้าโฮเทลินทีมขับไปส่งผมที่ชายหาดครับมาชอนนีนพลาจมาชอนนีนพลาจ